3. การดูจิตคือการใช้จิตดูจิตวงเล็บเปิดเกตุลาคม25น้าห้าในวงเล็บสองจุดจุดนาทียีิบหกวงเล็บปิดการดูจิตคือการใช้จิตดูจิตจิตดวงใหม่ไปดูจิตดวงก่อนที่เพิ่งดับไปสดสดร้อนร้อนเช่นจิตตะกี้เผลอไปเกิดจิตดวงใหม่ที่ไปรู้ว่าจิตตะกี้เผลอไปเป็นจิตคนละดวงกันท่านถึงใช้คำว่าในเครื่องหมายคำพูดจิตเห็นจิต